วันนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงไปจะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษพาะฉะนั้นวันนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านที่ต้องการถามคำถามถามปัญหาให้ส่งคำถามเข้ามาได้ในตั้งแต่ช่วงแรกนี้เลยจะรอตอบคำถาม จะพูดธรรมะไปจนกว่าจะมีคําถามก็ถามได้การถามคําถามนี้ก็เป็นเรียกว่าการสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกลมุตตะมังแปลว่าการสนทนาธรรมตามโอกาส เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้กำจัดความสงสัยให้หมดไปได้ที่ถามเพราะยังสงสัยอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่พอได้คำตอบแล้วก็จะได้หายสงสัยออจะได้เกิดความเข้าใจคือเกิดปัญญานั่นเองเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือการทำสมาธิทาอย่างไรถึงจะได้ผลนั่งมาต้องนานแล้วยังไม่ได้ผลสักทีพอได้ยินได้ฟังวิธีนั่งสมาธิที่ถูกวิธีพอเอาไปนั่งก็ได้ผลทันที มันอยู่ที่การกระทาที่ถูกต้องถ้าทาถูกต้องผลมันต้องเกิดที่มันไม่เกิดส่วนใหญ่เพราะทำไม่ถูกต้องเหตุไม่ถูกผลก็เลยไม่เกิดถ้าเหตุถูกต้องผลมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นในยุคในสมัยในจะสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบนันนี้เหตุผลเป็นอันเดียวกัน เหตุผลคือการกระทาผลก็คือผลที่เกิดขึ้นในใจของเราการปฏิบัติธรรมนี่เราปฏิบัติเพื่อผลที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ได้ประวัติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลทางร่างกายหรือทางเข้าของเงินทองต่างๆบางคนเข้าใจผิดคิดว่า มาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วจะขายดีทรมาค้าขายจะรุ่งเรืองอันนี้อาจจะได้เป็นผลพลอยได้เพราะคนปฏิบัติธรรมจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะเป็นคนใจเย็นจะเป็นคนที่มีความเมตตาเวลาทามาค้าขายกับใครก็จะซื่อสัตย์สุดจริญไม่ชอบโกง จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมยตรีทำให้คนอยากจะทำการค่าด้วยทำแล้วมีความสบายใจอันนี้ก็เป็นผลพลายได้จากการมาปฏิบัติธรรมแต่ผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติธรรมคือผลที่เกิดขึ้นในใจของเราใจของเราจะสูงขึ้นใจของเราจะมีความสุขมากขึ้น พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าใจของพวกเรานี้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เจริญคือดีสูงขึ้นควมว่าสูงขึ้นก็มีคุณสมบัติที่น่าชื่นชมยินดีมากขึ้น เ, เป็นที่น่าชื่นชมน่ารักใคร่ของของผู้คนต่างๆ จิตใจดีงามงามขึ้นถ้ากระทาไม่ดีจิตใจก็เสื่อมลงเป็นจิตใจที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยอันนี้อยู่ที่การกระทาของเราการปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าไดยส่งค้นคว้า และได้สงค้นพบวิธีที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงและบททุกข์ไปได้ในที่สุดจะมีความสุขตลอดเวลานี่คือผลที่เกิดจากการมาปฏิบัติธรรมเช่นทำทานนักษาศีล นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมผลจะทําให้จิตใจสูงขึ้นจิตใจเรามีแบ่งระดับตามระดับของความสุขสุขมากก็ถือว่าสูงขึ้นดีมากขึ้นไปเช่นเป็นมนุษย์เนี่ยดีกว่าเป็นสัตว์ในราชาแต่ถ้าอยากจะสูงกว่าการเป็นมนุษย์ก็ต้องขึ้นไปเป็นเทวดา ถ้าอยากจะสูงกว่าเทวดาก็ขึ้นไปเป็นพรหมถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าพรหมก็ต้องขึ้นไปสู่ระดับพาาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอาริยเจ้าทั้งหลาย<ม>ใจของพวกเรานี้สามารถปรับปรุงพัฒนาให้สูงขึ้นได้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์คืออะไร ก็คือการมีศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้าทำผิดศีลแล้วความเป็นมนุษย์ก็จะค่อยๆหายไปตามการกระทำผิดศีลทำผิดศีลมากความเป็นมนุษย์ก็จะหายไปมากทำผิดศีล น, น้อยความเป็นมนุษย์ก็หายไปน้อยก็หมายความว่า เป็นแบบลูกผสมไปตามกว่ามนุษย์ก็คือเดรัจฉานถ้าเริ่มทำผิดศีลอันนี้ก็จะทำให้เป็นลูกครึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานครึ่งหนึ่งตามตามการกระทำบาปทำบาปครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งทำบาปสามในสี่ส่วน ก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานสามในสี่ส่วนเป็นมนุษย์หนึ่งในสี่ส่ว น, นนี่คือศาสนาจึงสอนให้รักษาศีลให้รักษาศีลห้าไว้ไม่ให้ไม่ให้จิตใจตกต่ําถ้าจิตใจทําบาปแล้วจิตใจจะตกต่ําต่ามีต้องสี่ระดับมีระดับเดรัจฉานระดับเปรต ระดับอาสุระกายและระดับนรกเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าทำบาปมากทำบาปน้อยทำบาปหนักหรือทำบาปเบาทำหนับาปเบาบาปหนักมีผลที่จะทำให้เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แตกต่างกันไป น, นี่คือจิตใจของเราที่จะลงต่ำก็ได้จะขึ้นสูงก็ได้ ถ้าไม่อยากให้ลงต่ำก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ดีอย่าทำผิดศีลห้าอย่าฆ่าสัตว์อย่ า, ารัากทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเที่ยวเตะทั้งกลางวันทั้งกลางคืน แล้วก็คบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกียดข้านนี่เป็นสิ่งที่จะฉุดจิตใจให้ตกต่ำถ้าไม่อยากจะตกต่ำต้องอย่าไปกระทาสิ่งเหล่านี้รักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ละเว้นการเสพอบายามุขสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะ ไม่ทำงานเกียจค้านคบพวก อ, อบายามุขนักเลงอบายามุกเป็นมิตรถ้าคบกับพวกนักเลงอบายามุกเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายามุก ค, คบกับพวกชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราครบกับพวกที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ชอบกับพวกที่ชอบคบกับพวกที่ชอบเที่ยวชอบชอบเที่ยวเตะชอบหาความสุขจากมหอลาศบบันเทิงเขาก็จะชวนเราไปหาความสุขจากสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เขาทำถ้าเราไปทำสิ่งเหล่า น, นี้มันก็จะทำให้เราสูญเสียรายได้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายสูญเสียเงินทอง ไม่เอาเวลาไปทำงานเอาเวลาไปทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีแต่รายจ่ายมีแต่ต้องเสียเงินเสียทองเดี๋ยวพอเงินทองไม่พอใช้เพราะมีแต่จ่ายไม่มีรับพอไม่มีรายรับก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทาบาปไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงไปปล้นไปจี้ แล้วถ้ามีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันอีกนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำเราไม่ได้พูดถึงโทษทางร่างกายซึ่งอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เช่นถ้าไปทำผิดกฎหมายบางทีก็อาจจะถูกจับไปลงโทษบางทีก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่มันแน่นอนคือจิตใจมันจะลงต่ำแน่นอนจากเป็นมนุษย์นี่มันจะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตโดยอัตโนมัติไม่เหมือนกับโทษทางร่างกายนี้ต้องรอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับมีพยานหลักฐานมีสารมีอะไรมาตัดสินคดีซึ่งอาจจะหลุดก็ได้ถ้ามี ทนายดีๆมีเงินดีๆก็สามารถที่จะหลุดได้ถ้าไม่หลุดก็หนีได้ประกันตัวแล้วก็หายตัวไปเลย เ, เพราะฉะนั้นเราอย่าดูผลทางร่างกายเราจะทำให้เราเขว้ทำให้เราไม่มีกำลังใจ เ, เพราะเห็นคนที่เขาทำผิด กับได้ดิบได้ดีกับไม่ถูกลงโทษมันก็จะทําให้เราอยากจะทําผิดเหมือนเขาเพราะทําผิดแล้วไม่ถูกลงโทษนี่คือไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทําความดีทางศาสนาผลทางศาสนานี้อยู่ที่จิตใจจิตใจที่จะเปลี่ยนระดับของจิตใจจากระดับมนุษย์ไปสู่ระดับเดรัจฉานระดับเปรต ระดับอสุรกายระดับนรกเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปบาปหนักบาปเบ า, เาทำมากทำน้อยก็จะทำให้จิตใจตกต่ำคำว่าตกต่ำก็คือจิตใจจะร้อนจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจของมนุษย์นี้เรียกว่าอยู่กลางๆอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบ มีทุกห้าสิบมีสุขห้าสิบมีเย็นห้าสิบมีร้อนห้าสิบสังเกตนะบางวันก็ร้อนอกร้อนใจขึ้นมาบางวันก็เย็นอกเย็นใจสบายใจก็อยู่ที่การกระทาของเรานี่แหละถ้าทาบาปวันไหนหวันนั้นร้อนเน่ๆถ้าวันไหนไม่ได้ทาบาปก็เย็นสบาย นี่คือจิตใจที่จะลงต่ำลงเพราะการกระทำบาปลงเพราะการไปเสพอบายามุขส่วนจะขึ้นสูงนี้ต้องอทำบุญไม่ทำบาปแล้วยังไม่พอถ้าไม่ทำบาปก็อยู่แค่ระดับของมนุษย์ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็อยู่แค่ระดับมนุษย์ถ้าอยากขึ้นสูงกว่าระดับมนุษย์ เป็นเทวดานี่ต้องมีการทําบุญเอเทวดานี้จะมีความเมตตากราุณาเป็นคุณสมบัติคนที่มีความเมตตากรุณานี้ถือว่าเป็นเทวดาเอเพราะคนที่มีความเมตตากรุณานี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยเหลือไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญถึงจะเป็นเทวดาได้เทวดาก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยทำน้อยก็สุขน้อยก็เป็นชั้นต่ำทำทามากก็สุขมากก็จะได้ชั้นสูงเขาวาดกันที่ความสุข ความสุขก็วัดที่การให้ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้ความเมตตากรุณามากก็จะได้ความสุขมากให้ความเมตตากรุณาน้อยก็จะได้ความสุขน้อยเทวดาถึงแบ่งเป็นชั้นๆรู้สึกในในในตำราเขียนไว้ถึงสิบหกชั้นด้วยกันเทวดามีชั้นต่างๆอยู่ถึงสิบหกชั้น มีชื่อต่างๆเช่นดุสิตนิมานดาวดึงอะไรทำนองนี้นี่คือชั้นของเทวดาชั้นของดวงจิตใจจิตใจที่เวลาไม่มีร่างกายก็จะไปเป็นเทวดากันนี่คือระดับที่สูงจากมนุษย์เรียกว่าระดับของเทวดาแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับของเทวดายังมี ระดับที่มีความสุขมากกว่าระดับของเทวดาอีกสองสามระดับด้วยกันสูงจากเทวดาก็คือระดับพรหมพรหมก็มีสองสองระดับมีระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมผู้ที่อยากจะได้ความสุขของรูปประพรมอยากจะไปเป็นรูปประพรมก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไป สีหานี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถส่งให้ขึ้นไปถึงระดับรูปประผมอรูปประภมได้สีหานี้จะอยู่ในระดับเทวดาสวรรค์ชั้นเทวดาถ้าอยากจะสูงกว่านั้นต้องเพิ่มการรักษาสีจากสีห5เป็นสีแปดแล้วก็เปลี่ยนการทาบุญเปลี่ยนการเมตตากรุณามาทำอุเบขาคือมาทำใจให้สงบ พวกนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพวกพรหมนี้จะไม่ได้ไปช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้พวกนี้เขาจะเข้าหาความสงบคือพวกที่นักบวชทั้งหลายเนี่ยพวกที่ถือศีลแปดญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยถือว่าเป็นพวกที่มีเป้าหมายอยู่ที่พรห ม, มโลกอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพวกนี้ก็ต้องถือศีลแปด เพิ่มจากศีน่าอีกสามข้อเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกันเลยไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันคือไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของใครก็ตามไม่ให้หาความสุขแบบนี้ เอาเวลาที่จะไปหาความสุขแบบนี้มาหาความสุขก็จากความสงบก็ต้องมาฝึกสมาธิเดินจงกรมเจริญสติพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องนัวนเรื่องนี้ถ้านั่งเฉยๆแล้วจิตไม่คิดจิตก็จะเข้าสู่รูปฌปานซึ่งมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ ก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประพรมสวรรค์รูปประพรมก็มีอยู่สี่ชั้นรูปประชานหนึ่งรูปประชานสองรูปประชานสามรูปประชานสี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติคอยกํากับคอยควบคุมความคิดสติเป็นเหมือนเบรกของความคิดเป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ต้องเหยียบเบรก ถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเหยียบคันเร่งมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันหยุดก็ต้องเหยียบเบรกใจของเราก็มีคันเร่งกับมีมีเบรกอะไรคือความคันเร่งของใจก็คือความอยากต่างๆนี่เองพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องคิดค้นหาวิธีแล้วว่าจะไปเอาสิ่งนั้นได้อย่างไรก็ต้องใช้ความคิดเนี่ย ถ้าต้องการจ ะ, ะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติหยุดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพอหยุดพุทโธปั๊บความอยากก็ทํางานไม่ได้พอหยุดความคิดปั๊บความอยากก็ทํางานไม่ได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสุขที่สูงกว่าความสุขของเทวดา ความสุขของเทวดานี้มากกว่าความสุขของมนุษย์ความสุขของของมนุษย์น้อยกว่าความสุขของเทวดาความสุขของเทวดาจะน้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของรูปประพรหมก็จะน้อยกว่าความสุขของอรูปประพรหมจากรูปฌานสี่ก็สามารถเข้าไปสู่รูปฌานอารูปฌาน อีกสี่ขั้นได้ด้วยการใช้สติอันเดียวกันนี่แหละแต่จะต้องมีสติที่เข้มข้นที่สามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆให้ได้มากขึ้นกว่าระดับของรูปประชานโืยนอกจากความคิดแล้วต้องหยุดสัญญาด้วยหรือต้องให้ควบคุมให้มันทำงานให้น้อยลงไปเรื่อยๆควบคุมนามะขัน ให้มันลดการทำงานน้อยลงไปอันนี้ก็จะได้ความสุขมากกว่าขั้นรูปประชาญแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขของรูปประชานกับรูปประชานก็ต้องไปสู่ความสุขของพระอริยบุคคลมีอีกสี่ขั้นขั้นพระโสดาบานันขั้นพระสกิดาคามี ขั้นพระอน า, าคามีขั้นพระอาหารหันต์การจะขึ้นไปสู่ขั้นเหล่านี้ได้ก็ต้องปฏิบัติทำอีกข้อหนึ่งเพิ่มนอกจากสมาธิแล้วทีนี้ก็ต้องมาศึกษาให้เกิดปัญญาเพราะถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาจะสามารถที่จะกําจัดเหตุที่จะมาทำให้ความสุข ที่ได้จากระดับพรมนั้นเสื่อมลงไปนั่นเองจะทำจะรักษาความสุกระดับพรมให้กลายเป็นระดับของพระอริยะคือไม่เสื่อมเป็นความสุขอันเดียวกันต่างกันตรงที่เสื่อมหรือไม่เสื่อมถ้าเป็นมีปัญญาคอยรักษาก็จะไม่เสื่อมแต่ระดับพรมนี้ยังไม่มีปัญญามีแต่สติก็จะเสื่อมได้เวลาสติอ่อนกำลังลง พาสติอ่อนกำลังลงความสงบระดับอารูปประชานก็จะเสื่อมลงมาสู่ความสงบระดับรูปประชานพอสติเสื่อมลงไปอีกมากกว่านี้สติหายไปมันก็จะเสื่อมลงไปสู่ะระดับเทวโลกระดับสวรรค์ชั้นเทพต่อไปแล้วถ้าเสื่อมอีกก็จะลงไปสู่ระดับมนุษย์ต่อไปอพอถึงระดับมนุษย์ก็ต้องมาสร้างบุญสร้างสติกันใหม่ ถ้าอยากจะกลับขึ้นไปใหม่แต่ถ้าเราได้ดึงจิตให้อยู่ในระดับของพระอริยนี้จะไม่เสื่อมลงมาได้แล้วก็จะได้อย่างทาวนอาจจะได้แบ่งเป็นสี่ระดับด้วยกันระดับของพระโสดาบันระดับของพระสกิทาคามีของพระอนาคามีและของพระอราหันต์ก็คือจะสามารถรักษาความสงบ ระดับรูปประพรมอารูปประพมนี้ให้อยู่ได้ตามกำลังของปัญญาพระโสดาบันก็จะรักษาได้ส0เปอร์ซนตพระสะกิจดาคามีก็รักษาเพิ่มอีกส0เปอร์ซ็น4์เป็นสี่สิบพระอนาคามีก็เพิ่มอีกสิบเป็นห้าสิบเอร์ซตความสุขที่ได้จะไม่เสื่อมแต่รักษาได้เพียงครึ่งเดียวห้าสิบ อีกห้าสิบนี้ต้องให้พหระอรหันต้องบรรลุปเป็นพระอรหันต์ถึงจะสามารถรักษาความสงบนี้ได้อย่างเต็มร้อยต้องใช้ปัญญาต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักษณอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความทุกข์ใจต่างๆ สมุทัยก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ใจผู้ผลิตความทุกข์ใจก็คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือความอยากเสพกามความอยากเสพรูปประชานและความอยากเสพอรูปประชาญอันนี้ก็เป็นตัณหาสามระดับด้วยกันถ้า ต้องการที่จะทำให้จิตไม่เสื่อมทำให้จิตไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ต้องหยุดตัณหาทั้งสามนี้ผู้ที่จะหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคมรรคก็คือเครื่องมือหรือทางสู่การดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองต้องรักษาสีในต่อเนื่อง ต้องรักษาสมาธิให้ต่อเนื่องต้องรักษาปัญญาให้ต่อเนื่องถ้าเสื่อมเมื่อไหร่จิตก็จะเสื่อมทันทีถ้าจเจริญเมื่อไหร่จิตก็จ ะ, จะเจริญตามผู้ที่จะทำให้จิตเจริญก็คือสิงสมาธิปัญญาผู้ที่จะทำให้จิตเสื่อมก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิ lin, ภาวะตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อศีลสมาธิปัญญาเสื่อมลงแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาจเจริญการมาตัญหาก็จะเสื่อมคู่นี้เป็นคู่ต่อสู้กันถ้าทำมีกำลังมากกว่าตัญหากิเลสก็จะอ่อนลงถ้าทำอ่อนกำลังลงกิเลสตัญหาก็จะมีกำลังมากขึ้นผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นนี้แล้วจะเห็นธรรมจะมีดวงตาเห็นธรรม ถ้าไม่เห็นก็อาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าบอกจะได้เร็วขึ้นบางคนไม่ฉลาดดูไม่ออกถ้าดูเองไม่เป็นก็อาศัยพระพุทธเจ้าสอนใครปฏิบัติเข้าถึงขั้นระดับสมาธิแล้วจะสามารถเห็นอริยสัจ ส, สี่ได้สามารถเห็นว่าจิตเสื่อมเพราะอะไรจิตเจริญเพราะอะไรถ้าอยากให้จิตเจริญก็ต้องรักษาศีลสมาธิปัญญาไว้ ถ้าไม่รักษาศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะเสื่อมลงไปถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็จะสามารถรักษาจิตไม่ให้เสื่อมได้เต็มร้อยจิตพอไม่เสื่อมเต็มร้อยแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้เสื่อมถูกศีลสมาธิปัญญาทำลายไปหมด กามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาจะถูกศีลสมาธิปัญญาทำลายจนไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจพอเหตุที่จะทำให้จิตใจเสื่อมไม่มีหลงเหลืออยู่จิตใจก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปเหมือนกับจรวดที่ส่งออกไปนอกแรงดึงดูดของโลกพอจรวดอยู่ไกลจากแรงดึงดูดของโลก ก็ไม่ตกลงมาสู่โลกอีกต่อไปเออั้นใดใจก็เหมือนการใจจะไม่เสื่อมถ้าสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้เสื่อมถูกกาจัดไปหมดก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาต้องกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาเออตอนนี้เราฟังเรารู้แล้วแต่เรายังไม่ได้กำจัดเราต้องไปสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา แล้วเราถึงจะสามารถกำจัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณ ห, หาให้หมดไปจากใจได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยกำจัดความทุกข์ตามลำดับระดับมนุษย์ระดับเทวดาระดับพรหมยังมีความทุกข์อยู่ พอขึ้นระดับพระอริยะความทุกข์ก็ยังมีแต่น้อยลงไปน่าจะไม่เสื่อมจะความสุขจะเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนเต็มร้อยคือระดับของพระอราหันต์ระดับของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เจือปนไม่เหมือน ความไม่เหมือนจิตใจของพวกเราระดับมนุษย์นี้มีสุขะทุกข์สลับกันไปสลับกันมาห้าสิบห้าสิบสามวันดีสี่วันไข่บางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเบิกบานบางวันตื่นขึ้นมาก็เสืมเศร้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลากิเลสมันทำงานไม่ไหลมันก็จะทำให้จิตใจเราเสืมเศร้าเวลาที่มันไม่ทำงาน มันก็ไม่เสื่มเศร้าหรือว่าบางวันเรามีสติดีมันก็ไม่เสื่มเศรา้าบางวันมีสติไม่ดีกิเลสมันมีกําลังมันก็ทาให้เราเืมเศรา้านี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไาขาได้ถ้าตอนนี้มีความทุกข์อยู่สามารถปรับปรุงกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ถ้าตอนนี้จิตใจไม่มีความสุขก็สามารถปรับปรุงให้มีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรต่างๆที่คนหูหนวกตาบอดส่วนใหญ่จะใช้กันจะคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินทองมีตำแหน่งตอนนี้วิ่งหาตำแหน่งกันสสอกันใช่หไหมตั้งแต่ระดับสูงลงมาถึงระดับต่ำนี่วิ่งกันทุกคน วิ่งหาตำแหน่งกันพอไปหลงคิดว่าการได้ตำแหน่งสูงๆการมีตำแหน่งแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาอันนั้นเป็นความสุขปลอมสุขเดียวๆสุขแบบควันไฟแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์พอได้อะไรมาแล้วก็ต้องหวงต้องห่วงแล้วพอเสียมันไปก็เสียอกเสียใจไม่ใช่เป็นการหาความสุขทางใจที่ถูกต้อง การหาความสุขทางใจที่ถูกต้องต้องหาจากการรักษาศีลจากการทําบุญทําทานจากการฝึกสมาธิจากการเรียนรู้ปัญญาศึกษาให้เกิดปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นใจรักษณ์ขึ้นมาในใจไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะอริยสัจสี่อยู่ใน ใ, นใจไตรักษก็อยู่ในใจแต่ตอนนี้ ตอนนี้เราได้ยินได้ฟังจากข้างนอกหรือเห็นจากข้างนอกยังไม่ใช่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ข้างในถ้าปฏิบัติไปแล้วใจจะเข้าไปข้างในแล้วจะเห็นของจริงตอนนี้ใจของเราชอบออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงมองไม่เห็นธรรมะที่มีอยู่ในใจถ้าใช้สติหนึ่งใจกลับเข้าไปในสมาธิ ก็จะสามารถเห็น อ, าอาริยสัจ ส, สีเห็นไตรลักษณ์อยู่ในใจ น, นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดสรู้ก็จะสอนวิธีเดียวกันแล้วถ้าใครน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้รับผลเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดไม่สาคัญ การเวลาไม่สำคัญเพราะเหตุและผลของธรรมนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงปฏิบัติธรรมก็ต้องบรรลุธรรมไม่ว่าจะยุคสมัยของพุทธกาลหรือยุคสมัยปัจจุบันหรือยุคสมัยในอนาคตต่อไปการปฏิบัติธรรมย่อมทำให้ผู้บรรลุธรรม ถ้าไม่ปฏิบัต Finanz, dalam, ิทำก็จะไม่มีวันบรรลุทำได้ต่อให้อยากขนาดไหนก็บรรลุไม่ได้ความอยากไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้บรรลุตัวอยากอาจจะเป็นทำตัวเป็นตัวที่ทำให้ไปปฏิบัติถ้าไม่อยากบรรลุก็จะไม่ไปปฏิบัติถ้าอยากบรรลุก็ต้องไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลแต่ถ้าอยากบรรลุแต่ไม่ไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผล อยากเฉยๆไม่พออยากแล้วต้องไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนอยากจะกินขนมนี่อยากเฉยๆขนมไม่มาหาเราหรอกแต่อยากจะได้ขนมต้องไปหาขนมร้านขายขนมอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นมีเงินใจ่ายให้เขาปั๊บขนมก็มาหาเราไม่ใช่นึกอยากได้ขนมแล้วคิดว่าขนมมันจะลอยมาตามความอยากมันไม่ลอยมาหรอก สัในใดธรรมะระดับต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ลอยมาหาเราเราต้องเข้าไปหามันด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอตอนนี้ไม่ทราบ ว, ว่ามีคำถามเข้ามาบ้างหรือยอังมีก็ลองเอาคำถามก่อนเดี๋ยวสลับกับธรรมะต่อไปใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นนะจะส่งไมค์กระโผลไปให้ วาวาห้ามถามคำถามของวาวานี่ยังไม่เข้าเกณฑ์คำถามจากคุณชรินทิพย์แม่ดิฉันเสียชีวิตแล้วแต่มีเสื้อผ้าเยอะถ้านำเสื้อผ้าแม่มาบริจาคให้กับคนที่มีความต้องการ ดิฉันจะน้อมบุญให้แม่ได้ไหมเจ้าคะแม่จะได้รับไหมและจะน้อมช่วงที่เรากําลังให้หรือน้อมตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระในห้องพระเสร็จแล้วดีเจ้าคะ อ, อ๋อให้ตั้งอุทิศ ต, ตั้งแต่ตอนที่เราให้เสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ให้บุญยังไม่เกิดเวลาเราให้อะไรกับใครนี่เราจะเกิดความสุขใจความสุขใจคือบุญที่เราจะอุทิศไป ฉะนั้นต้องรอให้เกิดความสุขใจเพียงแต่คิดว่าจะให้ยังไม่เกิดความสุขใจแต่พอของที่เราอยากจะให้ไปให้เขาแล้วก็จะเกิดความสุขใจก็อุทิศได้ตอนนั้นเลยไม่ต้องไปรอเวลาสวดมนต์ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้บวชกวดน้ำให้ใช้จิตระลึกขึ้นมาในจิตเองว่า ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญอันนี้ให้แก่มีดาผู้มารดาผู้รงรับไปแล้วถ้ามารดากําลังรอรับอยู่ก็ขอให้รับไปแต่มารดาจะอยู่รอรับหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าจิตใจของแต่ละดวงมีสถานภาพที่ไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในสถานภาพที่รอรับก็จะได้รับถ้าไม่อยู่ในสถานภาพที่จะรอรับก็ไม่ได้รับ แต่ถ้าไม่ได้รับก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าแสดงว่าท่านก็คงจะมีบุญของท่านแล้วท่านเลยไม่ต้องมารอรับบุญจา ก, กเราบุญที่เราทำก็จะเป็นของเราเพื่อเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องมารอรับบุญจากคนอื่นต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากหนูปิดไฟเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้ไหมคะเพื่อลดความฟุ้งซ่าน เพราะหนูเป็นคนกลัวความมืดปิดไฟแล <Be ird S 2> <ก>้วไหมเปิดไฟครับเปิดไฟพิมพ์มตกอ่เปิดได้เปิดก็ได้แต่ว่านั่นงสมาธิความจริงเปิดแล้ไม่เปิดก็เหมือนกันเพราะนั่งสมาธิควรจะหลับตาเพราะว่าเราต้องการดึงใจเข้าข้างในถ้าเราเปิดไฟเปิดตาใจมันจะออกไปข้างนอกมันก็จะไม่สงบมันจะไม่ได้สมาธิ แต่ถ้าช่วงสวดมนนี้ก็เปิดไฟไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้ได้สมาธิได้ความสงบนี้ต้องนั่งหลับตาคำถามต่อไปจากคุณพิมพ์ทำไมความทุกข์มันมีมาได้ตลอดเวลามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ความทุกข์เบาบางลงกับทุกๆเรื่องคะและสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิต ประจำวันอย่างไรให้เราทุกน้อยลงค่ะก็เพราะเหตุของความทุกข์มันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลานั่นเองคือความอยากต่างๆเลยอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้อย่างนั้นอยากไม่ได้อย่างนี้เนี่มันมีอยู่ในใจเราทุกครั้งที่เราอยากความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์น้อยลงก็พยายามลดความอยากต่างๆ อย่าไปจู้จี้จุกจิกกับชีวิตมากเกินไปหาดใช้สันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดวันนี้ลองอย่าไปอยากสักวันได้ไหมลองปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยินดีกับมันไปฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่ต้องไปกำหนดว่าอยากอยากให้ฝนไม่ตกอยากให้ฝนอยากให้แดดออกหรืออย่าไปอยากให้วันนี้จะอยากได้เจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆ ถ้าไปสร้างความอยากเหล่านี้มันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนะรลองทำใจแบบเฉยๆยินดีตามมีตามเกิดอ ะ, อะไรจะเกิดวันนี้ก็เกิดว่าใครจะด่าวันนี้ก็ยินดีทรับฟังใครจะชมก็ยินดีใครจะไม่ชมก็ยินดีใครจะไม่ด่าก็ยินดี วันนี้ขายของจะไม่ได้ขายขายของไม่ได้เงินก็ยินดีหัดยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ไอ้ที่มีความทุกข์เพราะเรามันจู้จี้จุกจิกอยากได้นู่นอยากมีนี่พอได้นี่ก็ไม่พอใจอีกแลเปลี่ยนใจอยากจะได้อย่างนั้นอีกแล้วอย่างนี้มันก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าสอนให้เราหัดใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือ ให้ยินดีกับการได้น้อยๆพอใจกับการได้น้อยๆแล้วมันจะไม่เสียใจเวลาได้น้อยถ้าโลภอยากได้มากพอไม่ได้มากมันก็จะเสียใจจะไม่สบายใจส่วนสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็ยินดีไม่ได้ก็ยินดีเป็นยังไงก็ยินดีวันนี้ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ยินดี อย่าไปยินร้ายกับสิ่งต่างๆแล้วใจจะไม่ทุกข์คำถามต่อไปจากคุณคณิษฐาถ้าเรารักเมืองไทยและอยากอยู่เมืองไทยทำอย่างไรเราจะครองตัวครองตนให้เป็นคนดีอยู่อย่างพอเพียงในประเทศของเราไม่ไปเป็นวิศวกรโยธาในต่างประเทศที่ได้เงินมากกว่าครับก็อย่างที่บอกให้มีความมากน้อยสันโดษ ขอให้เรามีปัจจัยสี่ก็พอแล้วตอนนี้เสื้อผ้าเราพอหรือยังพอแล้วใช่ไหบ้านเรามีอยู่แล้วพอหรือยังแล้วก็อาหารเราก็มีกินทุกวันพอหรือยังถ้าเราพอใจกับปัจจัยสี่ที่เรามีแล้วก็พอแล้วอยู่ได้แล้วแต่มันถ้าไปอยากได้สิ่งนู่นสิ่งนี้เพิ่มมันก็จะต้องหาเงินมันก็ต้องไปหางานทำมันก็ต้องวุ่นวาย ฉะนั้นควบคุมใจให้มากน้อยสันโดษแล้วเราก็จะอยู่เมืองไทยได้อย่างสบายคำถามต่อไปจากคุณภาสิตมโนภาพที่เกิดในเวลาฝันที่ไม่เคยเจอในชาตินี้แต่เป็นอดีตชาติทําไมบุคคลที่เกี่ยวข้องในมโนภาพในอดีตชาติจึงเกี่ยวข้องกับเราเหมือนกับในชาตินี้ครับ ก็มันก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่ทำอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกันมันก็เลยต้องมาเจอกันนะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูวางแผนไว้ว่าจะออกปฏิบัติมาตั้งแต่สองปีที่แล้วตอนนี้พร้อมแล้วค่ะว่าจะบอกที่บ้านเร็วนี้ปกติที่บ้านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หนูตัดผมสั้นสกินเฮดแม่เห็นแล้วร้องไห้เสียใจมากไม่พูดกับหนูมาหนึ่งสัปดาห์แล้วอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเลือกทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจซึ่งอาจทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้เรายังสมควรตัดผมแบบนี้และออกปฏิบัติอยู่ไหมคะหรือควรจะชะลอไว้ก่อนจนกว่าเขาจะยอมรับได้หรือจนกว่าเมื่อไหร่ดีคะ เดิมทีหนูคิดมาตลอดว่ายังไงเขาก็ไม่เข้าใจเขาเป็นอนัตตายังไงหนูก็จะออกตามที่คิดไว้แต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าหรือนี่เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างที่ใครๆว่ากันทุกคนก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่ะทุกคนทำอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นที่ไหนเวลากินข้าวก็เห็นแก่ตัวไหมเวลาอาบน้าก็เห็นแก่ตัวไห เวลานอนหลับก็เห็นกับตัวไหมเราก็ทำทุกอย่างเราก็ทำเพื่อตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ไม่เห็นเ้ ย, ยเป็นใครเขาว่าเราเห็นกับตัวก็ก็เหมือนกันทุกคนแหละก็อีหลอบเดียวกันแหละคุณว่าเราเห็นกับตัวแล้วคุณไม่เห็นกับตัวเลยทุกคนก็ทำเพื่อตัวเองแค่นั้นแหละนี่น นี่กิเลส ข, ของเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวขัดขวางเราไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่คนนั้นคนนี้หรอกกิเลสมันจะไม่ยอมให้เราไปปฏิบัติมันก็เลยสร้างเขตผลต่างๆขึ้นมามาคอยมาสกัดเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาอย่างที่เราคิดเนี่ยชีวิตนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไงยังไงมันก็ต้องตายเวลาเราตายเขาก็ต้องร้อ ง, องห่มร้องไห้ แต่เขาองไห้ไม่กี่วันเขาก็ลืมแล้วใช่ไหมเขาก็ไปเราไปบวชเขาเขาไม่สบายใจไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตของเขาต่อไปใช่มเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับความรู้สึกของคนอื่นเลยเป็นความรู้สึกประเดียวะประดาวถ้าถ้าถ้าถ้าพระพุทธเจ้ากังวลแบบเรากังวลก็เราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามากราบไหว้ใครจะเสียสละมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า เราเสียสละเล็กๆน้อยๆขณะนี้เรายัางทำไม่ได้แล้วดูพระพุทธเจ้าท่านเสียสละขนาดไหนท่านไม่สนใจละท่านรู้ว่ า, เ, าเรื่องของจิตใจนี้มันเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตอนคนอื่นไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาทางจิตใจของใครได้ทุกคนต้องแก้ปัญหาจิตใจของตอนเอง เังนั้นการไปแก้ปัญหาทางด้านจิตใจนี่จะว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นกกบตัวแต่มันเป็นเห็นแก่ตัวที่ที่ไม่เสียหายไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปแย่งทรัพย์สมบัติของใครใช่ไหมมีแต่สละทรัพย์สมบัติให้เขาไปสิเอด้วยซ้ำไปเพฉะนั้นไม่เห็นน่าจะเป็นเรื่องน่ากังวลเลยถ้าคิดตามหลักธรรม้ว ถ้าคิดตามกิเลสเนี่ยมันก็กลายเป็นกายว่าเราเห็นแก่ตัวไปเราทําให้พ่อแม่ซึมเศร้าทําให้พ่อแม่ทุกข์ความจริงความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เราหรอกอยู่ที่กิเลสของพ่อแม่นั่นแหละพอพ่อแม่ไม่ได้อะไรตามใจ อ, อยาก ก, ก, ก็เสียใจแต่ถ้าเรามองมุมกลับถ้าพ่อแม่เขายินดีมีครอบครัวบางคนนี้พอลูกมันจะบวชนี่โหยเขาดีใจปลิ่มไปติน้ําตาไหลก็มีใช่ไหม มันอยู่ที่ใจของเขาว่าเขายินดีหรือก็ไม่ยินดีมนไม่ได้อยู่ที่การกระทำของเราการกระทำของเราเราไม่ได้ไปทุบตีเขาเราไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเขาเราไม่ได้ไปทำเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาไปแล้วเขาจะไม่เขาจะทุกข์มันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะใช่ไม้มมันเรื่องของเขาอ่ะเขาทุกข์เพราะความโง่ความโงเพราะกิเลสตัณหาของเขา ก็อาจจะดีทําให้เขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าเนี่ยการไปยึดไปติดลูกว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะไม่เป็นก็เลยทําให้ตนเองทุกข์ก็อาจจะได้บทเรียนว่าต่อไปนี้จะไม่อยากให้ลูกได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วปล่อยให้ลูกเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าเราจะได้ไม่ทุกข์ งั้นไปบวชเถิดไม่มีอะไรดีกว่าการบวชอย่าไปรอเวลานะเวลาไม่คอยใครไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะไปรอให้พ่อแม่ตายก่อนไปบวชเกิดเราตายก่อนพ่อแม่จะทํายังไงอะก็ไม่ต้องบวชนะไม่ต้องปฏิบัติงานะคำถามต่อไปจากคุณนัทกิจอยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับโลกธรรมแปดครับ โลกธรรมแปดก็คือลาบยศสรรเสริญสุขนี่เองเป็นสี่คู่คือลาบยศสรรเสริญสุขมีทั้งเจริญและมีเสือ่อมเราก็เรียกว่าเป็นสี่คู่หรือเป็นแปดเจริญลาบเจริญยศเจริญสรรเสริญเจริญสุขก็เรียกว่าหนึ่งหนึ่งด้าน อ, อีกด้านหนึ่งก็ด้านเสือ่อม มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเงินเดี๋ยวก็เงินหมดมียศเดี๋ยวก็ยศหมดมีสรรเสริญเดี๋ยวก็สรรเสริญก็หมดมีสุขเดี๋ยวสุขก็หมดนี่คือโลกธรรมแปดมันเป็นสี่คู่ด้วยกัน <c oughs> คือลาบยศสรรเสริญสุขมันต้องมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมท่านถึงเรียกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันไม่แน่นอน ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียคำถามต่อไปจากคุณมานีดิฉันไม่สบายใจสามีซื้อสิ่งมีชีวิตมาทำอาหารขายดิฉันไม่สนับสนุนแต่ขัดห้ามไม่ได้ดิฉันควรจะพิจารณาแบบไหนดีคะกลัวเป็นวิบากกรรมขอพระอาจารย์ให้ข้อคิดด้วยคะ่ะ ก็เป็นบาปของเขาไม่ได้บาปของเราซะหน่อยเลยไปวิตกทําไมทําไมคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ต้องเยอะแยะทําไมเราไม่ไปวิตกด้วยทําไมพอคนนี้มาเป็นสามีเราขึ้นมาเลยกลายเป็นวิตกไปด้วยเป็นสามีไม่เป็นสามีมันก็วิบาบเหมือนกันทําบาปมันก็ต้องไปใช้บาปเหมือนกันเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าเราไปยึดไปถือว่าเขาเป็นของเราเป็นสามีเราอะไรเป็นของเราเราก็เลยไม่อยากให้มันไม่ดี ทีนี้เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าอ่ะถ้าห้ามเขาไม่ได้ก็ช่างหัวมันไปทุกข์กับมันทำไมไปทุกข์กับเขาทำไมเขาก็ไม่มีเขากลับไม่ทุกข์เรากลับไปทุกข์เขามีความสุขจะตายไปเขาทำกับข้าว ข, ข้าเป็ดข้าไก่มาทำกับข้าวขายเขามีความสุขให้เรากลับไปทุกข์กับเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้เป็นคนทำบาปอันนี้เพราะเป็นกิเลสของเราความอยากของเรา คำถามต่อไปจากคุณพิรดีสังเกตว่าตัวเองเป็นคนเครียดง่ายแค่ตั้งใจทำงานอะไรก็ตั้งใจเอาจริงไปจนแสดงออกมาทางสีหน้าที่ตึงๆเครียดๆ ร, รู้สึกว่าไม่ดีและไม่อยากดูเครียดเกินไปจะสอนใจอย่างไรให้ผ่อนคลายได้ดีขึ้นเจ้าคะก็อย่าไปอยากมันเกินเหตุเกินผลนะทำอะไรก็ทำไปตามกำลังของเราทาได้ก็ททํา ทำไม่ได้ก็ยอมรับว่ายังทำไม่ได้มันก็ไม่เครียดถ้าอยากไปทำอะไรเกินกำลังของเราพอทำไม่ได้มันก็จะเครียดขึ้นมาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาคือทางสายกลางไม่มากเกินกำลังของเราไม่น้อยกว่ากำลังของเราให้มันอยู่ภายในกำลังของเราในความสามารถของเรา ถ้าอยากจะได้เพิ่มก็ค่อยๆพัฒนาไปเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะก้าวขึ้นไปเองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเป็นคนธรรมดานั่งสมาธิอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แค่ความสงบถ้าอยากจะบรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมนี่ต้องใช้ปัญญา ค้นหาอริยาาสัจสี่ให้เจอค้นหาไตรลักษณ์ให้เจอให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอันนี้ให้เห็นอริยสัจสี่แล้วก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณพันทิพย์การที่เราได้อิ่มในบุญทาทานเพียงเล็กน้อยต่างกับการหลงบุญอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันกนะ็ไม่รู้แบบหลงบุญกับอิ่มบุญเป็นยังไง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามอยากทราบอุบายการสร้างมุทิตาจิตครับมุทิตาจิตก็คือให้เรายินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นคู่อริกับเราเรามักจะไม่ยินดีเช่น <Yeah. S 2> คนที่เขาได้แฟนของเราไปเป็นแฟนนี่เราจะโกรธเขาทันทีแต่ถ้าเรามีมุทิตาจิตเราก็จะดับความโกรธได้เช่ไหมอ๋ มันเป็นโชคของมันเว้ยเขารักมันมากกว่ารักเราเขาก็เลยต้องไปเป็นคู่ของเขาเราแต่คิดอย่างนี้แล้วเรามันมีความสุขมันเป็นเพื่อนเราก็ดีถือวะ่าให้คิดอย่างนี้แต่บางคนนี้พอสูญเสียคนรักไปเพราะคนรักไปชอบเพื่อนไม่ได้ชอบตัวเองก็เลยไปโกรธเพื่อนอกีกไปเป็นดลเปคู่เป็นเป็นศัตรูกับเพื่อนอกีกทั้งทั้งที่เพื่อนเขาก็ไม่รู้หน่อยเนี่ย แฟนเราไปชอบเขาเองใช่หไหแล้วแฟนเขาก็เปลี่ยนใจเขาเลยไม่อยู่กับเราเขาไปอยู่กับเพื่อนเราเนี่ยอันนี้คือมุติตาต้องทำแบบนี้ทำตอนที่เราโกรธทำตอนที่เราอิจฉาริษยาเพื่อเพื่อดับความโกรธ ด, ดับความอิจฉาริษยาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกอะไร มุติตาไปมันก็เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นคนที่เราไม่รู้จักเขาได้เป็นนายกเราก็ไม่ได้ไปดีใจเสียใจอะไรไกับเขาจะไปมุติตาหรือไม่มุติตามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับจิตใจของเรามุติตานี้มีไว้สําหรับการเวลาเราเสียใจเช่นแข่งกีฬาแล้วแพ้เนี่เสียใจเราบอกเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาเขาชนะก็ต้องยินดีถ้าคิดถึงว่าถ้าเราชนะบ้าง เป็นอย่างไรถ้าเราชนะเขาถ้าเขาไม่มาแสดงความยินดีเราก็จะไม่มีความสุขเรื่คิดว่ามันเป็นเรื่องการแข่งขันในชีวิตของคนเราก็มีแพ้มีชนะแต่ขอให้เราแพ้ชนะแบบไม่ทุกข์ดีกว่าคือยินดีกับความแพ้ของเรายินดีกับการชนะของผู้อื่นแสดงว่าฝีมือเขาคราวนี้ดีกว่าเราฝีมือตอนนี้เราหย่อนกว่าสู้เขาไม่ได้ก็เท่านั้นเองอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทุกข์ เวลาที่ผู้อื่นเขาได้เด็บได้ดีกว่าเราแซงหน้าแซงตาเราคำถามต่อไปจะคถาามสุดท้ยนครับคำถามสุดท้ายการทําทานควรพิจารณาอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงครับทาทานที่แท้จริงก็ทําเพื่อตัดความอยากของเราเวลาเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวอย่างเนี้ย เอาไปทําทานเพราะการเอาเงินไปใช้ตามความอยากมันจะไม่พอมันจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆมันจะติดแต่ถ้าเราทุกครั้งที่เราอยากจะเที่ยวแล้วเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญมันก็จะตัดความอยากเที่ยวไปต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากเที่ยว มันก็จะสบายไม่ต้องไปคอยหาเงินมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆส่วนเงินที่เราจะไปทำบุญนี้เราก็พิจารณาตามความเหมาะสมที่ไหนเดือดร้อนก็ไปช่วยที่เขาเดือดร้อนหรือเราชอบทำบุญแบบไหนก็ไปทำบุญแบบนั้นบางทีเราชอบทำบุญกับโรงเรียนบางทีเราชอบทำบุญกับวัดเราชอบทำบุญกับ ลงพยาบาลทำบุญกับมูลนิที่ต่างๆเราก็เลือกทำได้อันนี้ไม่อันนี้เป็นเหตุผลหองเหตุผลหลักนี้ทำทานเพื่อตัดความอยากเพื่อปิดกั้นการที่จะเอาเงินทองไปใช้ไปสนับสนุนความอยากพอกเราไม่ใช้เงินทองไปสนับสนุนความอยากความอยากมันก็จะหายไปต่อไป เราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่งั้นเดี๋ยวอยากเที่ยวอยากซื้อนู่นอยากซื้อนีนออนน่อยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ความอยากไม่ได้หายมันกลับเพิ่มมากขึ้นแต่พอเราไม่ซื้อเวลาอยากจะซื้อก็เอาเงินไปทําบุญเวลาอยากเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญเดี๋ยวความอยากเที่ยวก็หายไปอยากซื้อของก็หายไปเอาแล้วนะวันนี้สําหรับเวลาช่วงแรกนี้ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน วันนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสัคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิทิตังปัติตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหระโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิตสานิจังวุทฒาปะจายโน จตารโหธัมมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนเนี่ยก่อนที่จะคนจะนีหมดวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา406ครับ YouTube 321วิทยุออนไลน์33 รับฟังข้างบนนี้สี่สิบสองคนรวมทั้งหมดแปดร้อยสองครับวันนี้เกินถึงแปดร้อยแล้วนะโอเคก็คิดว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพณิตพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ